มักมีกระหาเกลการกินไม่สงสัยกำหนักรัจบนีมีการโฆษณานเรื่องการกินเจซึ่ง่เคยปรากฏมตั้ในบ้านเมืองปรอินเดียที่เมืองีนน้การกินเจกินสิบกนาัลวังน์้นจะเป็นเรื่องธรรมดา ชาอินเดียหรือชาีนบางัวกจุดที่ผมจะพูดขึ้นนั้นก็เนจุดที่เข้าใจผิดเรื่อาการกินเจในทาบริสุทธิ์ซึ่ง น, นี้นเรื่องผิดนะพุทธเจ้าสังเกว่ามนุษย์บริสุธิ์ไม่ได้ได้วยอาหารบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเท่านั้นอันนี้ก็มีข้อส่วนคิด เกดข้าเจาผมไม่ได้เรนตีดเตียนการกินเจตัไม่งชอบกินเจนสมัยหนึ่งที่พระเจ้าทรงสมภนากับะวามคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นนักม่งสาผรับเขกินเจนกินผก็สรงตดเตียนทรงท่านว่าคดมเนที่จับกับกั อ, อย่างใจใหญ่ ซ้อนให้ซ้อนเรื่องงดเว้นปานากรของความสัตย์ชีวิต ต, ตัวเองและยังสนับสนุบสนสาวกตัวเองก็ยังกินเนื่ออยู่แสดงตอก ว, วากาขวิตผู้เจ้าทรงจรัดว่าถ้าคุณเคลื่อนของความเป็นสมณักอยู่ตรงการไม่กินเนื้อแล้วคำด่าของเธอต่อเรานั้นจริง คุณเคลื่อนความเป็นธรมะถ้าไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นคำด่าขงเธอมจริงเลยข่านดูนลาเป็นโมหันมาราีต่อปแต่ฟ้นๆเจ้ากาะ่อยู่ตรงกรรกินเจกันพระเจ้าไม่ใชพระเพาะงั้นเป็นคามเป็นพระไม่ได้อยู่ตรงนันซะ ด, ด้วยนี่คำด่าของพรทำทไม่กริงวันนี้ ราคะโทสะโมไม่อาจละได้โดยอะไร้วว่าไปกินเจนต่อให้เมื่อกินข้าวก็ละไม่ได้ต่อให้กินห้าหรือกินลมก็ละไม่ได้อ็เป็นเรื่องการเจริญสตินี่ทอบันหนึ่งที่สารักอมริกาที่ทะบันเบ็กสเตอร์ทดลองค้นขว้าเกี่ยวกับผักที่เมื่อฟังแล้วอาจจะหายข้องใจก็ได้ครับ การฆ่าสัตว์บาปบา้บาดีน้อยแค่ไหนในวินัยสงฆ์ฆ่าสัตว์จับอําบัดเท่าระเบิดใบไม้ไม่ใช่ค่าสัตว์ไม่ถูกจับมากกว่าเท่ากันระเด็ดใบไม้ไม่ เ, เป็นชีวิตเสมอกั น, น, นการฆ่าของเขียววันทีนี้จับอําบัดแรงแรงก่าสัตว์ถึง <c oughs> ถ้าบันเด็กเตอร์ได้ทดลองดูพบอกาต้นไม้ทุกชนิดติด มีความรู้สึกมีคิดมีความจำมีความรักมีความเกลียดมีความกลัวตุ๊เต้นสาวน้ยกระแป้งมันมีอะไรพิเศษซึ่งเรื่องรู้ความคิดของมนุษย์ลงหน้าด้วยเป็นผู้เคลแรงนี่เจ้าไฟเผานี่มันแสดงปฏิกิริยาเข้าคลื่นเรื่องเล็กตรอนที่กระจบคนนิดสายปแปลกๆสิบกคนเนี่ยเข้ามากล้ง คนที่หนึ่งที่สองต้นไม้เหล่า น, นั้นจะแสดงอาการตอบโต้ต่อคนนิสัยเลวๆมันกลัวมันไม่ชอบแต่ใกล้คนนิสัยดีที่มันจะรักที้หลายประเทศเป็นพัฒน า, าการเกิเรขึ้นในการเปิดเพลงเลาะๆให้ต้ น, นอ้อยฟังแลออ้วก็ง่าก็โตดีมะพร้าวในสวนถ้าคนไม่มปอยู่ด้วยมันไม่ออกลูกที่เป็นหนอง่จิงนี่นเป็นเพื่อนรอ่วมดังนั้น การอ้างว่าการกินเจนี้บาปมากกินสัตว์ไม่จริงครับผู้บางทีจะมีชีวิตชั้นสูงกว่าสัตว์เลยใครดูภาพยนตร์เรื่องอีทีก็จะดูแต่ตัวอีทีที่จริงมัเป็นพืชมยืด ย, ยูนและฉลาดเป็นความคิดของผู้แต่งเรื่องเพราผมไม่ได้ยินคนพูดเรื่องกินเจนแล้วเู้สิดขำ ไปเอาเรื่องเล็กมาเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเรืกินข้าวกินอาหารนั่นเองไม่กี่นาทีในการอุจจาระนั้นเป็นทีคิดเองเป็นเรื่องมากขึ้นเป็นโคษรสมาขึ้นไม่สุดชวนหลงแทนที่จะไปเรื่องง่ายได้านไปผ่าไปเจริญสติอยู่จะไม่สงสัยเลยในอาาัในการมีชีวิตจริงอลนั้นเข้ามาเพื่อกินเจอร่างนี้ดำรงอยู่ ที่ะอ้าไกลไปถึงว่าแต่ไม่มีรงค่าสัตรูแล่กินเจจะมีลงค่าพูดนึคร เ, เกิดขึ้นด้วยฟังงันยุ่งนิดหนอยจะคิดไปที่มาตายดีกว่ า, ยานยากกินอะ่รมันหนักไปหนึ่งน้มากเล่นไปเล่าแต่ผมไม่ได้คนนองกินเจมีดีดีผลในการกินเจมีข้อเดียวเ่ันเรื่องสุขภาพมันเยอยุ่งมากกินเยอมากเยมันทางานนะ ็กินเจก็ได้กินผักก็ได้หรือไม่กินก็ได้ไม่สำคัญเลยผู้ชายสังกดรอเรียนผู้ที่ถือศีลวัดดังอย่างนุษย์บริสุท์ได้อาของหรือกราบางพวกที่บริสุทธิ์ได้โดยการอาบสงในแม่น้ำคงคาวัละสามเวลาเจ้าสังกว่าเพราะปลาทวกวจในแม่น้นบริสุทธิ์ัันต้องมารักษาสีมันไม่ต้องม จะเดินมีปรัชนาที่เรื่องชวนหัวมากแต่ว่าเรื่องชวนหัวอะไรนี้นะะที่ในไม่จะถือไปเรื่อยๆอีกทีเป็นประเด็นเพียงเพื่อได้ตีเพื่อนการปฏิบัติธรรมของตัวเพียงเพื่อได้ตีเพื่อนไม่เป็นผลไม่เป็นผลอย่างที่ผมพูดกันเชาวเราข้มึงเดินขึ้นมาในต่าปฏิบัติธรรมด้วยกันแต่ต่างคนต่างเดินที่ น, น, นี่ไม่เดินมึงจะขัดขาเพื่อนมึง ก็ในสุดการอุปสรรคคือมนมนาดความตัวอุปสรรคของควาเข้าใจจิตของมนุษย์กาอุปสรรคกับชีวิตท่วๆป่าารข่มทำงานป่าการล่าสังหารชีวิตสับสัาร้ายที่ ม, มันขึ้นสูงขนพามนุษย์ขาดความรู้สึกตัวก็เกิดทิฏิอะไรขึ้นนะพยายังจะดันให้มันเป็นเรื่องใหญ่ ไ, ได้ไม่เดินสตินั้น เราต้องทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กแม้เป็เรื่องตายก็เรื่องเล็กอย่าพูดเรื่องกินเจกินเนื้อต้งเป็นระดับนั้นครับจริงจังคำจริตปรากฏช็อตจริงจริงไม่มีอะไรสําคัญเลยไม่เห็นม่มีอะไรสําคัญไปแล้วไม่เห็นมีอะไรสําคัญเลยเมื่อความันออกจากสมมุติเป็นเรื่องสมมุติถึงกินเจกินเนื้อทิฏจิตมันไปงงกับการกินเจนะครับ เป็งงก็ปิดสมมุติตรงนี้เองเพราะมันบอกให้เลิกเสียให้กินเจ อ, อยู่แล้ ว, ว ก, กินต่อแต่อย่าไปสนใจเพราะถ้าไปสนใจเข้านี่พว ก, กินนั่งกินเรื่วมคนกินเนื้อชักเยอะขึ้นนิดนิดนอนนี้ได้ไม่เท่าเสียท่านกินเจที่จะไปเรื่องเมตตาคุณานะเราต้องรู้แม้แต่ไอ้คนกินเนื่อเราก็หน้าเมตตาตอนี้กินเจเพื่อเมตตาคุณาแต่ก็โมเพราะว่าคนกินเน้อ ไม่เท่าเสียนะไดนะ้ไม่เท่าเสียการไปเล่นมุมนอการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆโดยไม่รู้เท่าทันโดยไม่รู้เจตนารวมโดยไม่รู้อะไรเป็นไงจะตกกับเรื่องมุมเงแม้จะรักษาศีลก็เรื่องมุมเงาอย่าว่าไปเื่องกินเจเลยชาวอินเดียนะแม้โยคีในปัจจุบัน น, นบางคนเข้าไปผิดตนี้นกินยากเขมีบางคนในเดือนมันกินฝามีเดียวนะ ไม่ ก, กินถั่วเกียวบางพวกนี่อดอาหารตายเลยเจะ บ, บริสุทธิ์ตโดยการไม่กินบางพวกคือการไม่พูดจะบริสุทธิ์บางพวกถือว่าการเดินส้นหลังตั้งกันบนพื้นดินมัมนไม่บริสุทธิ์เอาหัวลงคขาเกี่ยวตึงแล้วก็เข้าไปในความคิดตลอดเวลาท่นก็อยู่อย่างนี้นะครับถ้าเห็นอะไรเยอะๆเม่นเราเราจะรู้สึกไม่มากต้องการไม่มาอะไรนะ ในาไม่ชัดว่าเอเราเข้าไปในความคิแดแสลงเราจะสร้างสิ่งต่างๆสร้างสิ่งไม่มีไม่มีขึ้นสร้างสิ่งนี้ไม่มีความสําคัญอะไรให้สําคัญขึ้นการที่นี้เรียหลงวันนี้ผู้ที่ไม่หลงคือผู้ ท, ที่เข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งต่างๆเพียงเพื่อสำเร็จประโยชน์ร้อยผ่านไปพอสมัยมืงไทยต่อไปเกิดกินเจแล้วก็กินให้าด้วยแล้ว หังฉัได้มีลูกผมเป็นคนกินเจมีปัญหาเยอะแต่ก่อนผมกินอยู่พอๆกับยุ่มากเลยไปทีน่อนอมเพื่อนมันกินเนื้อกันอยู่ก็ยุง่งเพื่อนมันก็จัดหา๋ัวนี้ผักแพงซะด้วยกระดันผมสรุปพืดเล่มมาถือจริงจังเมื่อที่ถือว่าการกินเนื้อเป็นการร่วมมาทําบาปไม่จริงครับ เคยอ้อนสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตและบอบกบกางนอกจากนี้ครับเ่ราพูดนบางชนิดเป็นมีชีวิตที่สูงกว่าสัตว์และการฆ่าสัตว์ถ้าโดยพระวินัยแล้วผู้ชอบตบอับบัดค่ากระเด็นใบไม้การฆ่า ข, ของผิวตกแรงข่าสัตว์นี่นครับท้านที่เราจะมัวสนใจในเรื่องการกินอาหารผนะู้สมัยท้งไปเบีย เขไปกันเนรเสีกินกาก็ไป่วะที่ร้านเนรเขาชอบกินไก่เรานั่นกินกันพอดีทางเดียวกันเองโมโหมากเขาเห็นจะเป็นนักบวชเลยแั่แต่ข้อว่าไม่เป็นนักบวชทำไมกินเนรโมโหมากเที่ยงว่างไม่ได้กินคุงขึ้นเนรก็สงสัยขันถามผม ผมพูดภาษาอังกฤนะแกพูดไดผมก็บอกเข า, าคุณไปด่าเขาก็มีสิทธเขาก็มีการเห็นมันเขากินอะไรไม่สำคัญกินอย่างไรสำคัญกว่าแมาแต่อุจจาระนี่กินได้ครับกินอย่างไรเส่นยามหาวิจจอุตรรรมมาติ้งกินไนดะ้กินอย่างไรกินอย่างไรมันหมายถึงสติ กินเจกินคมเด็ลยบางพกทำไห้คล้ายๆมื้อคล้ายๆตับคล้ายๆตนตลกขึ้นไปใหญ่เข้าใจกินอย่างไรนี้ครับกินอย่างผู้มีสติหรือขาดสติสกินอะไรนี่สำคัญกิผักก็ได้กิน้ตามพ่วตามโอกาสตามความจำเป็นตามความหมาสแต่กินอย่างไรนีสำคัญมากต่อให้กินเจหรือกินแต่น้ำแกง ขาดสติแล้ว น, น, นใช่ไหมะผู้จะเดินสติอยู่การจะไม่สนใจเรื่องศีลเพราะอะไรเพราะตัวสตินี่คือศีลที่ผู้บุคคลขาดการรู้สึกตัวซะแล้วศีลจะตัวในกรักษาง่ายมากยกตัวอย่างง่ายๆเลงคือการไม่ข่าสัตร์รักษาการไม่ข่าสัตร์รักษารักษาอย่างไรผมที่เดินไม่ข่าสัตว์อยู่างนี้นผมทีเดินแล้วเดินไม่ข่าสัตร์ ไม่ได้ครับสีเหลนั้นเป็นข้อบรรัญญัติทางสังคมที่วางไว้แต่นแท้ของสีนือสติเมื่เสื่อมสติอย่างนนคนไม่รู้จะชอบพูดว่าต้องสีมองก่อนสติจริงจะมีอย่างนั้นไม่รู้ครับพูดแต่เท่านั้นไป็ําพูดทั้งนั้นมีควารู้สึกตัวอย่าว่าจะเรื่องสีแนยรู้สึกตัวโกรธก็ไม่โกรธที่นั่งทุกคนหนึ่งผมเชื่อมั่นอนนผมใช้ดาว่าผมขี้เกียจดาบ จะรู้ตัว่าไปด่าใครกันเลยก็ถ้ามันเป็นยอดสีนี่นะครับเมื่อไม่รู้จักพ็เที่ยงตดทุกต่างๆนาน า, น า, นานปนไปคิดจะหวังให้มีสีสีมันมีไม่ได้โดยการทําศีมก็คือตัวร้องเมื hmm. รื่ที่ตัวนี้เป็นศีเป็นสมาธิแล้วมันจะโตดโต้ขึ้นเรื่อยๆเป็นปัญญานะครับจะเป็นเรื่องการเห็นทุกสิ่งอย่าง ท่านไม่รู้ที่รักษาสีที่เดินไม่ข้าศัตที่เดินไม่พูดเพี้ยนแที่อยู่ในคุกนี้ไมเคยฆ่าใครเลยติดตะล่อมแต่ไม่ได้หมายมันรักษาสีคนที่เป็นไบ้าีไม่เคยพูดัวหกเอ๊มันรักษาสีไหมถ้าใจถ้าใครไปผิดเลยก็ยุ้ยคนบางคนนี้เป็นโรคกินเล้ามาเ็นแสดงมีสีมันแล้วมัใช่ เพราะสำคัญที่สิดนคบ ม, มีสติแล้วเราจะมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงชนิดสัมผัสได้สึกนึกคิดอะไรเกิดขึ้นหรือชนิดสัมผัสได้ไม่ใช่เล่นหรอกนังนั้นธรรมันึงจะมาปรากฏขึ้นที่ตัวธามะในตัวนีนเองครับงหม้กับภาชนะปกะกอบขึ้นเป็นทองคำแบบนี้คลาดขี้โครนคิ้ต้มอะนี่มันหุม้ม พมันเช็ดออกตัวมันก็แวววาตัวแรงมันเป็นอยู่แล้วครับเป็นทุกอย่างเป็นศีลเป็นสมองที่เป็นปนมญหาไม่รู้ก็ที่วิ่งหาศีลก็ไปที่ขอศีลจากพระที่พระให้ศีลคิดว่าแบกศีลจากพระพันครับอย่างนี้นเล่นลนอกันเล่นทุกวันทุกเช้าจริงไหมครับที่เดินกระซ่ามาขอศีลพระหรือเปล จนิงๆเรื่องศีกคือเรื่องตัวหนังีเราปกติไม่น่ามีการพู้ทีปกติการดูการนั่งการยืนที่เป็นปกติที่รู้ตัวต่อนอันนั้นไม่ถือศีลแตีนี้ไม่จุดปรากรจริงๆต่อเมื่อสิ้นปาทิารศีลไม่อาจปฏิบัติได้โดยการตอบสนองข้อหยาดจะมาเวลาข้างไหมครับขอให้ขั้นขายุติกรนร จ้องกันแน่ น, นอกมันถูกมันแน่นในอกพอถ้าเราจับลูกไก่จับ่ให้มันไม่ผิดตัวลูกก่ด้ น, นยังยัตาเขามือกข้ต่นี้แต่บจ้องตัวเองจั้องเองนี่จะไม่สบายหล่อมหายใจจะสัน้นเข้าใจ่านี้ไม่ต้องทำอน่ตัวเราสบายสบายเติแต่ตอนเปลี่ยนอะไรนี่บทนี้ให้ดูให้รู้สึก จะนั่งก็มั่นอย่างน้งดดจะดับเสจะยืมันต้องคิดคิดก่อนคิดรับแล้วให้ค่อยค่อยยืนค่อยเดินเดินเดินจะเมื่อยหรื อ, อยังไม่เมื่อยจะนั่งก่อนจะเมื่อยแล้วนั่งก็ได้ก็แห่งนั่งก่อนได้ใช้อรื บ, บททึ่สี่ท่าท้ายเป็นอะไรครับสมติผมนั่งนี้นะ น, นึ่งกนกึงรื่องนี้ต้กวงัคิดกคิดมันจะยออ้อนมรูที่นีบ้างกันง ม, มันยออน้อนมกระช่าง้ให้ทำอยู่เรื่อยๆไม่จะเป็นต้องเมื่อยขึ้น่ร่ ที่บทเรีนนี้เป็นการให้รู้ตัวไปกิน า, าเวเดินเฮิร์นไม่ได้กำหนดอะไรเอารู้ตัวทั้งนี้ไม่ทันเมื่อผมกลั้น อ, อยู่บ้างเดินบ้านั่งยกมือ 4-5 ที เข้าใจไหมครับเ่ออย่างนี้ครับในสุดนี้จิตนะครับหรืออุปาทาอกาาิเลสเนี่ยมัน้นดาวที่ไหนเราดีฟอร์มมันตลอดเวลาเข้าใจไัรเรา่าที่จริงเป็นฟอร์มของความคิดนะ <c oughs> นี่ขณะที่เรา น, รานกับความคิดเองมันเป็นฟอร์มหนึ่งของมไม่ใช่ฟอร์มกการนี่เป็นฟอร์มหนึ่งแต่เป็นฟอร์มของความคามาิดคอนเซ็ปต์ของเจา ต้องรัดทั้ง น, น, น้นอนแนงและดีฟอร์มตลอดไอยาให้มันทำมีแบฟอร์มการยืนแต่เ่ไดไปนลุกขึ้นเกิดการเคลื่อนไหวชนิดที่ต่อเนื่องและดีฟอร์มตลอดดังนั้นกิเลสไม่เปที่ตั้งครับ เข้าใจไหมถ้าเราย้ายบ้านทุกคืนเนี่ยโจมันไม่จะโหมเลยไงไม่รู้บ้านเหนคือมนเช้าเราย้ายมันช้าเราย้ายมันเช้าเราย้ายมุ้ก็ไม่มีแมงสาบเข้าใจไหมเนบ้านใหม่เรื่อนเข้าใจไลยครับแทนที่จะมุ้งละกิเลนเข้าไปติดคนมุ่งละกิเลนแทนคนไม่รู้จริงจริงนะี่เจ้าทานสอนมออย่าให้มีอย่าให้กิเลสมีที่ตั้งและที่อิง มันต้องเป็ดีฟอร์มตลอดเลก็แต่นครับเหมืนมนอนทีผมยกตอย่างคื อ, นอคนทั่วไปทีดว่าจะข้าหนูข่าเงินหายหมดโลกแล้วก็ได้สร้างบ้านโดยหรือค่ายุงนี่หมดเลยแล้วก็สร้างอย่างนี้คนนั่งคิดคิดละกิเลนนจนตายนัย่นแหละก็ละไปหมดอแบบ น, นี้ก็คืออย่าให้กิเลนนี้ที่ตั้งที่อีกก็แต่นี่คร เขว่มันเป็นชนนั้นไม่ต้องยึ่ในกิเลสเลยมันไม่มีอยู่แล้วครับเข้าใจว่าเราไม่สร้างบ้านในนู้นมันกาดต้องมีที่จะขึ้นมาควนจากประเด็นนี้ดีนที่่าเป็นเรื่องท่สคัปนดีฟอมันตแต่เราไม่รู้เราเมืลกเม้นี่นะที่นชมอยู่ในความคิดฟอมทุกฟอมเป็นฟอมของคาิด กข้ผมเห็นต้นม้เนี่ยพอเห็น้นมันคิดทันทีเลยเออ น, น, ตนอออ้ต้นหางอือต้นอะไรฟมทุกฟอมมันเป็นอะไผ ม, ผม่งจ้องดูมือเนี่ยอ้าวมันเป็นคิดอีกเลยดังนั้นให้ดหีฟอมตลอดวเพื่อหมูลุกขี่ไม่ ไ, มไมหมทำชาต้เก่าผมไปนอนทนออน่องเป็นอเองเขามร่วมเป็นทําะไรก็ได้อย เดินเร็วบ้างช้าบ้างดีฟอร์มทําลายรูปแบบทุกชนิดแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจไหจ ม, หมเพราะทุกรูปแบบนี้เป็นรูปแบบการคิดและทุกรูปแบบจะมีที่ตั้งของอุปาทานนี่นะเข้าใจไหมครับทำให้มันเปลี่ยนอยู่เรื่อยตลอดแต่ว่าไม่ใช่เปลี่ยนแบบบ้าๆบอลไม่ใช่เดินหมุนว ง, งไม่ใช่อย่างนั้นคือให้มีระเบียบนี่เลยเป็นระเบียบของรีเบิลทั้งสี่แต่ ห น, หน้ลุกขึ้นมาจีนแทำอย่ า, างนี้มันทำอย่างนี้นะ ค, ะนาานนะคะเลสไม่มีที่ตั้งที่อิงหรือมันตามไม่ทำเข้า <c oughs> ใจไมในสุดมันตามไม่าทันก็หา ไ, ไปเลยเ <c oughs> พราะมันไม่มีอยู่ี่เลสเป็นนายาความรู้สึกตัวนีต่อไม่มีแล้ว ควนมรู้ตัวความมีมันเป็นคำพูดแต่เมื่อรู้จริงๆแล้วมันพูดไม่ออกมันไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรมันรู้จริงรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ครับคำจงกระทั่งไม่มีคำพูดจะเรียกแล้วมนจะจับขึ้นมาแจ้งขึ้นมาเองอันนั้นเราทถ้ายังเลือดอยู่เล่นสมุดเล่นบรรยัตเรียกแล้วอ๋รู้ตัวรู้ตัวเกับปอรู้ตัวงรื รู้สึกบ้าเรื่องถ้อยคำนัน่นี่อย่าไปได่เดินถามว่าเอ๊ะไหนรู้ตัวนี่งไงอย่างนั้นติ ด, ดมันรู้อยู่แล้วครับมันรู้ตัวอย่งค้าภายภาสนะของนะครบมือนมือุกโคลนคว้าจาัไม่ต้องไปคิดอะไรมากล้างอ้เนอไอนี้มันจะออกมันเป็น <c oughs> ความรู้ตัวนี้เป็นเป็นตัวเราเป็นตัวพุทธะตัวตื่นตัวรู้รู้แต่คนนี้เราเข้าไปในความคิดมันก็เลยไม่รู้ตัวมั้ก็ข้าใจไหมครับเคลื่อนไปเคลื่อนไปอย่างนี้ตามข่าวมันก็ไม่เผยเข้าในความคิดมันไม่เปอยเข้ามันเป็นรู้ตัวของมันมั้ยนี่ <c oughs> ที่ไปต้องรู้เรื่องเหมนีิจําทุกของชั้นที่จริงหลงกระแท้เลยมั่งคิดออเดี๋ม่เที่ยงเออเนี่ยคนเกิดแก่จากตายที่จริงหลงกทแต่การหลงเช่นนี้หลงอยู่ในโลกของความคิดเกี่ยวกับอรรมธรมต้เรียกว่าอนุสติจะเรียกในแง่ดีเป็นสติน้อยที่จริงยังไม่ใช่แม่สติที่กําหนดเอาเนี่ยนี่ก็ยังไม่ใช่ ส่วไอ้ที่รู้ตัวขึ้นเอยนี่มันจะเรียกอะไรมไม่รู้ก็เรียกสติก็ได้ไม่เรียกก็ได้เรียกมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนานนันเป็นอยู่เรียกทุกทมามันเป็นกัะตรงนั้นนี่จะเป็นอยู่ใครช้เรยงงนงงไหมกานยกมือนี่นั่งเลยทนะั้งนั้นนั่งเลยคใครที่ยังไม่เคยเรียนก็ดูแลก็ไปเลยปฏิบัติเลย ให้แรกสุดใน่นี้ก่อนอน่งขานี้นั่งสบที่รู้แล้วไปเลยเด่๋ืเลยไปเที่ยังไม่รู้ยังงงนึ่งข้าวตะเกียงนี้นะมือตั้งหัวเข่านี่บนนสบายบายไม่ต้องคิดถึงปฏิบัติทง้งหมลึกวาตั้งแต้ ตามเคลื่อนไหวคลิกอันนี้นี่มันคือการมีตัวนันเองเนอยู่นะไม่จำเป็นต้องไปกาหนดเข้านะไม่ต้องไปกาหนดขึนะ้นมันเะป็นคลิกใหเป็นหนึ่งเราจะรู้ขนาดนคลิกอันนี้ื่อตาในเราจะรู้สึกอย่านังเจตดูนะลองสังเกตดูคลนะิกหนึ่งแล้วให้ลอลอ ง, ลองสังเกตที่ตา มันจะรู้สึกติดตานี่เนขะ้าใจหมปะมันรู้ไปทั้งตัวนะครับมันพริกที่มือนี่ก็จริงแต่จริงๆมันรู้ทั้งตัวอย่นี้ดังนั้นไอ้พริกอยากา่าช้าอยเร็วยกยตรงๆนะช้าอยาา่าเร็ยจะกตง่ <c oughs> นี้่นี้จิบรับรู้ทั้งสองสามสี่้ มิดรับรู้สองวินทีนี่มันไม่มีที่ม like ี่ไปเ็นอะไรยกยกลงนะโคยนี้โอ้มันหลโค้งมากใหยกตรงตนีหนึ่งแล้วไปอีกหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่ ง, น ง, งหนึ่งยกตรงต น, นึ่งรกหน่นี่กไหมหน่ ถ้าเป็นหนึ one, one, one ่งหนึ่งหนึ calm, ่งหนึ่งหนึ่งเมื่อเป็นหนึ่งอย่างนี้มันมันจะเร็มากครับมันจะลู้สึบตัวขึ้นรมากคล้ายๆมันกระต้นถูกขานยมันถูไฟนี่นมาสองด้วยนะถูถูตรงเลยสัมผัสจริงๆเลม่งมั่วนะครับถูไฟถูไฟนี่ลกขึ้นจริงนี่ยจากจ้องมือ ตานั้นเบิดเห็นตามธรรมดแต่อย่าจ้องดูหูก็ฟังตามแต่จะ่ฟังไเลยจิตก็รู้ดตามธรรมดแต่จะ่ให้มันรู้อะไรถ้าใจมันให้มันรู้แต่ไม่รู้อะไรตาเนี่ยให้มันดูแต่มันไม่เห็นอะไะให้มันเห็นแต่มันไม่ได้ดึงรหูมันมันฟังแต่มันไม่ได้ยินอะไรมันเป็นชนิดภาระทางตาทางหูทางอะไนี่จะหมดไป ภาระทางตาทางรู้ทาจิตปี่จะหมดไปเลยคือไม่มีเรื่องมันต้องไปไปรับถายแบบนี้ความ ร, รู้ตัวนี้กระจา่างๆระวังการเอาจริงการเอาจริงเนี่ยจะเครียดแล้วไปไม่ได้ให้ระวังอย่าเอาจริงแต่จุดนี้แก้ยากนะใครทําจริงแล้วมันติดเครียทุกปีประธานเริ่มเครียดเพื่อแล้วมันการศึกษาอย่าเอาจริง ทำเล่นนเหมือนเดินแต่ว่ายาเล่นแค่นั้นเองทำเล่นนแต่ว่าจริงแข่งยาวจริงทาเล่นๆแต่ให้ตอนนมันจะเบามันจะเบ า, เบาโปรอย่านั่งนิ่งให้เคลื่อนไหวตลอดแม้จะนั่งเฉอเงื่อน กระดิกนิ่งด้ว ย, ยแม้จะนั่งฟังเทศอย่างนั่งนิ่งอย่าจมกันในความคิดที่คำพูดของผู้พูดท่านยีมือเล่นฟังถ้รู้แต่ไม่เข้าอะไรไม่รู้ไม่ยกมือ พักหน icism, ึ่งพักในน้ำแค่ไหนก็ตามต้องการตามใจต้องการพักหนึ่งอเนืึกจะเปลี่ยนไม่ะหมดนะแค่หยุดที่หน้าของหยุดของเล่นนี่ลุกจะให้เป็นหนึ่ง ทำไมเป็นหนึ่งเพราะมันเป็นอยู่เรากินข้าวทีละครเดินทีละเก้าพลิกตาทีละค้งาใจไมแล้วก็พลิกตาทีละสองครั้งลูกพิกไม่ได้ครับจริงไมมันซ้อนไม่ได้เลยทีิงไเราบอกเอกะเราิกตาทีงสองครั้งไม่มันสองทีนะครับจริงไหมจริงไหมครับเออมันพิกตาทีหนึ่งก็ทีนั้นะจะสอ ง, สอ ง, สองไม่ได้ครับ ซ้้ออันนี้มันสองทีเป็นอย่างนั้นแล้วให้เราเอานนั้นให้เกินประยชน์ตหน่งนี้ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะหน้นีั้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งทุกจุดนต่